ธรรมบทแปลเรื่องที่เจเอเรื่องหมอชีวกภาคที่สเรื่องที่หนึ่งของวรรคที่เจอรหัตตวรรควันน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในสวนมะม่วงของหมอชีวกทรงปรารบปัญหาอันหมอชีวกทูลถามแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า กะตัดที่โนเป็นต้นเรื่องหมอชีวกท่านให้พิสดารในขันธกะแล้วแลความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระเทวทัตเป็นผู้ร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาสตรูขึ้นสู่เขาคิจกูรมีจิตคิดร้ายคิดว่าเราจะปลงพระชนพระสัสดาจึงกลิ้งหินลงยอดเขาสองยอด รับหินนั้นไว้สเก็ตซึ่งแตกออกจากหินนั้นกระเด็นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคยังพระโลหิตให้ห่อแล้วเวทนากล้าเป็นไปแล้วภิกษุทั้งหลายนำพระศาสดาไปยังสวนมัทตกุจิพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จแม้จากสวนมัทกุจินั้น ไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกจึงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงนําเราไปในสวนมะม่วงของหมอชีวกนั้นพวกภิกษุได้พาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกแล้วหมอชีวกทราบเรื่องนั้นไปสู่สํานักพระศาสดาถวายเพสัตขนานที่ชะนัต เพื่อประโยชน์กำชับแผลพันแผลเสร็จแล้วได้กราบทูลคำนี้กับพระศาสดาว่าพระเจ้าค้าข้าพระองค์ประกอบเพศสัตว์แก่มนุษย์ผู้หนึ่งภายในพระนครข้าพระองค์จากไปยังสำนักของมนุษย์นั้นแล้วจะกลับมาเฝ้าเพศสัตว์นี้จงตั้งอยู่โดยนิยามที่ข้าพระองค์พันไว้นั่นแหละจนกว่าข้าพระองค์กลับมาเฝ้า เขาไปทำกิจที่ควรทำแก่บรุษนั้นแล้วกลับมาในเวลาปิดประตูจึงไม่ทันประตูทีนั้นเขาได้มีความวิตกอย่างนี้ว่าแย่ yeah, จริงเราทำกรรมหนักเสียแล้วที่เราถวายเพษัตย์อย่างชะัดนพันแผลที่พระบาทของพระตถาคตเจ้าดุดคนสามันเวลานี้เป็นเวลาแก้แผลนั้น เมื่อแผลนั้นอันเรายัางไม่แก้ความเราร้อนในพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเกิดตลอดคืนอย่างรุ่งขณะนั้นพระศาสดาตรัสเรียกพระอานนท์เยระมาเฝ้ารับสั่งว่าอานน์หมอชีวกมาในเวลาเย็นไม่ทันประตูก็เขาคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาแก้แผล เธอจงแก้แผลนั้นพระเถระแก้แล้วแผลหายสนิทดุดสะเก็ดไม้หลุดออกจากต้นไม้หมอชีวกมายังสำนักพระศาสดาโดยเร็วภายในอรุณนั่นแหละทูลถามว่าพระเจ้าข่าความ ร, ร้อนเกิดขึ้นในพระสรีระของพระองค์หรือไม่พระศาสดาตรัสว่าชีวก ความเร่าร้อนทั้งปวงของตถาคตสงบราบคาบแล้วที่ควงโพธิพลึกนั่นแลดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานีว้ว่าขะาตัดทิโนวิโลกัสสะวิปปมุตตสสะสับบธิสับบะคันทับปะหีนัสสะปริลาโหนวิชตีติความเร่าร้อน ย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วหาความเศร้าโศกมิได้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัตทั้งปวงได้แล้วแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าขตัดทิโนได้แก่ผู้มีทางไกลอันถึงแล้วชื่อว่าทางไกลมีสองอย่างคือทางไกลคือกันดานทางไกล คือวตะบรรดาทางไกลสองอย่างนั้นผู้เดินทางกันดารยังไม่ถึงที่ที่ตนปรารถนาเพียงใดก็ชื่อว่าผู้เดินทางไกลเรื่อยไปเพียงนั้นแต่เมื่อทางไกลอันนั้นเขาถึงแล้วย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีทางไกลอันถึงแล้วฝ่ายสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้อาศัยวตัตตะตนยังอยู่ในวัตตะเพียงใดก็ชื่อว่า ผู้เดินทางไกลเรื่อยไปเพียงนั้นมีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรแกว่าเพราะความที่วัตตะอันตนยังให้สิ้นไปไม่ได้แม้พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นก็ชื่อว่าผู้เดินทางไกลเหมือนกันส่วนพระขี่นาศพอย่างวัตตะให้สิ้นไปได้แล้วดำรงอยู่ ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีทางไกลอันถึงแล้วแกพระขี่นาศบนั้นผู้มีทางไกลอันถึงแล้วบทว่าวิโลกัสสะคือชื่อว่าผู้หาความเศร้าโศกไม่ได้เพราะความที่ความเศร้าโศกมีวัตตะเป็นมูลปราศจากไปแล้วปาพระกาถาว่าวิปมตตสะ สัพติคือผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมมีขันเป็นต้นทั้งปวงบาปประกาศถาว่าสัพพคันทั ป, ปหะฮีนัสสคือชื่อว่าผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัตทั้งปวงได้พระความที่กิเลสเครื่องร้อยรัตสี่อย่างอันตนละได้แล้วบาปประกาศถาว่าปริลาโหนวิจติความว่า ความเร่าร้อนมีสองอย่างคือความเร่าร้อนเป็นไปในทางกายหนึ่งความเรอาร้อนเป็นไปในทางจิตอย่างหนึ่งบรรดาความเร่าร้อนสองอย่างนั้นความเร่าร้อนเป็นไปในทางกายซึ่งเกิดขึ้นแก่พระขี่นาศบโดยสามารถแห่งพัสสะมีหนาวและร้อนเป็นต้นยังไม่ดับเลยหมอชีวกทุนถาม หมายถึงความเร่าร้อนอันเป็นไปทางกายนั้นแต่พระศาสดาทรงพลิกแพลงพระเทศนาโดยสามารถแห่งความเร่าร้อนอันเป็นไปทางจิตเพราะความที่พระองค์เป็นผู้ฉลาดในเทศนาวิธีเพราะความที่พระองค์เป็นพระธรรมราชาจึงตรัสว่าชีวกผู้มีอายุก็โดยประมัต ความร่อร้อนย่อมไม่มีแก่พระขีนาศพผู้เห็นป่านั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องหมอชีวก